พระเวสสันดรตรัสว่าแนพ่อชาลีเจ้าจงลุกขึ้นยืนเถิดการมาของพวกยาจกในวันนี้ปรากฏเหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนๆพ่อเห็นเหมือนดังพรามความชื่นชมยินดีทําให้พ่อมีความกเกษมสารพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระชนกนาถ แม้กล้าวกระหม่อมฉันก็เห็นผู้นั้นปรากฏเหมือนพรามดูเหมือนเป็นคนเดินทางจากเป็นแขกของเราทั้งหลายชูชกทูลว่าพระองค์ไม่มีโรคาพาษหรือหนอพระองค์ทรงพระสําราญดีหรือทรงเยียวยาอัตภาพด้วยการแสวงหาพลาหารสะดวกหรือทั้งมูลมันผลไม้มีมากหรือเหลือบ ยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยแลหรือในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพาลมาลึกไม่มีมาเบียดเบียนแลหรือพระโพธิสัตว์ตรัสว่าแน่พราหมณ์เราทั้งหลายไม่มีโรคาพาดเบียดเบียนอันหนึ่งเราทั้งหลายเป็นสุขสําราญดีเราเยียวยาอัตภาพด้วยการหาพลาหารสะดวกดี ทั้งมูลมันผลไม้ก็มีมากทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีน้อยอันหนึ่งในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพารามลึกก็ไม่มีมาเบียดเบียนแก่เราเมื่อพวกเรามาอยู่ในป่ามีชีวิตอันตรงเกลียมมาตลอดเจ็ดเดือนเราเพิ่งเห็นท่านผู้เป็นพรามบูชาไฟทรงเพศอันประเสริฐ ถือไม้เท้าสีดังผลมะตูมและลักกจันน้านี้เป็นขนแรกแนมหาพรามท่านมาดีแล้วอันหนึ่งท่านมิได้มาร้ายแน่ท่านผู้เจริญเชิญท่านเข้ามาภายในเถิดเชิญท่านล้างเท้าของท่านเถิดผลมะพลับผลมหาดผลมะสางผลหมากเมามีรสหวานปานน้ําผึ้ง เชิญเลือกฉันแต่ผลที่ดีๆเถิ ด, ดท่านพราหมณ์แม้น้ำฉันนี้ก็เย็นสนิทเรานำมาแต่ซอกเขาแนมหาพราหมณ์ถ้าท่านจํานงหวังก็เชิญดื่มตามสบายเถิดดังเราขอถามท่านมาถึงป่าใหญ่เพราะเหตุปัจจัยอะไรนอะเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแกเราเถิดชูชกทูลว่า ห้วงน้ำในปัญจกมหานทีเต็มเปี่ยมไม่มีเวลาเหือดแห้งฉันใดพระองค์มีพระหฤทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาฉันนั้นข้าพระองค์มาเพื่อขอกับพระองค์ข้าพระองค์ทูลขอแล้วขอพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานสองปีโยรสแก่ข้าพระองค์เถิดพระมหาสัตตรัสว่าแนพราม เรายกให้มิได้วันไว้ท่านจงเป็นใหญ่พาเอาลูกทั้งสองของเราไปเถิดพระราชบุตรีมารดาของลูกทั้งสองนี้เสด็จไปป่าแต่เช้าเพื่อสแสวงหาผลไม้จักกลับจากการสแสวงหาผลไม้ในเวลาเย็นแนครามเชิญท่านอยู่ค้างเสื้อคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าค่อยไป ท่านจงพากุมารกุมารีซึ่งพระมารดาของเธอให้ส่งแล้วสูตรดมที่เสียนแล้วให้ประดับด้วยนานาปุพชาติอบอวลไปด้วยกลิ่นานานาคันธชาติพร้อมไปด้วยมูลมันและผลไม้หลายชนิดเป็นสเสบียงไปเถิดชูชกทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์ไม่ชอบใจการพักอยู่ ข้าพระองค์ยินดีจะไปแม้อันตรายจะพึงมีแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอทูลลาไปทีเดียวเพราะว่าธรรมดาสตรีเหล่านี้เป็นผู้ไม่สมควรแก่การขอเป็นผู้ทําอันตรายต่อบุญของทายกและลาบของยาจกย่อมรู้มายาย่อมรับสิ่งทั้งปวงโดยข้างซ้ายเมื่อฝ่าพระบาทบำเพ็ญทานด้วยพระราชศรัทธา ฝาพระบาทอย่าได้ทรงเห็นพระมารดาของพระปิโยรสทั้งสองเลยข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระมารดาของพระปิโยรถนั้นพึงกระทาแม้อันตรายได้ข้าพระองค์ขอทูลลาไปทีเดียวขอพระองค์จงตรัสเรียกพระลูกแก้วทั้งสองนั้นมาอย่าให้พระลูกแก้วทั้งสองได้ทันเห็นพระชนนีเลย เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทานด้วยพระราชศรัทธาบุญย่อมเจริญด้วยอาการอย่างนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระลูกแก้วทั้งสองนั้นมาอย่าให้พระลูกแก้วทั้งสองได้ทันเห็นพระชนนีเลยข้าแต่พระราชาพระองค์พระราชทานทรัพย์คือพระโอรสพระธิดาแกยาจกเช่นข้าพระองค์แล้วจักเสด็จไปสวรรค์ พระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ปรารถนาจะเห็นพระมเหสีผู้มีวัดอันงามของเราไซาท่านก็จงทูลถวายชาลีกุมารและกันหาชินากุมารีทั้งสองนี้แก่พระเจ้าสัญชัยมหาราชผู้พระอัยกาเท้าเธอทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกุมารีทั้งสองนี้ผู้มีเสียงไพเราะกล่าววาจาน่ารัก ก็จะทรงปลื้มพระหฤรุไทยปรีดาปราโมทจากพระราชทานทรัพย์แก่ท่านเป็นอันมากชูชกทูลว่าข้าแต่พระราชบุตรขอพระองค์ทรงฟั ง, ฟงข้าพระองค์ข้าพระองค์กลัวต่อการที่จะถูกหาว่าชกชิงเอาไปพระเจ้าสัรชัยมหาราชจะลงพระราชอาญาแก่ข้าพระองค์คือจะพึงทรงขาย หรือพึงประหารชีวิตข้าพระองค์จะขาดทั้งทรัพย์ทั้งธาตุและจะพึงถูกนางพรามณีผู้มีเผ่าพันธุ์พรมติเตียนได้พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชาทรงสถิตยอยู่ในธรรมทรงพรดุงสีพีรัตให้เจริญได้ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกุมารีนี้ผู้มีเสียงไพเราะกล่าววาจาน่ารัก ได้พระปีติโสมนัสและจากพระราชทานทรัพย์แก่ท่านเป็นอันมากชูชกทูลว่าพระองค์ทรงพร่ำสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งใดๆข้าพระองค์จักทำสิ่งนั้นๆไม่ได้ข้าพระองค์จกันนจกนำสองพระกุมารไปเป็นทาสรับใช้ของนางพรามณีพระศาสดาตรัสว่าลำดับนั้น พระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและพระกันหาชินาได้สะดับคำของชูชกผู้หยาบช้าตกพระไทยกลัวจึงพากันเสด็จวิ่งหนีไปจากที่นั้นๆพระมหาสัตตร์ตรัสว่าพ่อชาลีลูกรักมานี่เถิดลูกทั้งสองจงยังบา ร, รมีของพ่อให้เต็มจงช่วยโสดสงหาไทยของพ่อให้เย็นชำ้ำ จงทำตามคาของพ่อขอเจ้าทั้งสองจงเป็นดั่งญาณ น, นาวาของพ่ออันไม่หวั่นไหวในสาครคือพบพ่อจะข้ามซึ่งฝั่งคือชาติจากยังสัตว์วัโลกพร้อมทั้งถวยเทพให้ข้ามด้วยลูกกันหามานี่เถิดเจ้าเป็นที่ดาที่รักทานบา ร, รมีก็เป็นที่รักของพ่อ จงช่วยโสดสงหัไทยของพ่อให้เย็นชำ้ำขอจงทำตามคำของพ่อขอเจ้าทั้งสองจงเป็นดั่งญาณ น, นาวาของพ่ออันไม่หวั่นไหวในสาครคือพบพ่อจกข้ามซึ่งฝั่งคือชาติจกช่วยสัตววโลกพร้อมทั้งถวยเทพให้ข้ามด้วยพระศาสดาตรัสว่าลำดับนั้น พระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรรัฐให้เจริญทรงพาพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและพระกัญหาชินามาพระราชทานให้เป็นปุตตะกะทานแก่พรามลำดับนั้นพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรรัฐให้เจริญทรงพาพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและพระกัญหาชินามาพระราชทานให้แก่พรามมีพระหฤทัยชื่นบาน ในปุตตะทานอันอุดมในครั้งนั้นเมื่อพระเวสสันดรราชฤาษีพระราชทานพระกุมารทั้งสองก็บังเกิดมีความบันลือลั่นน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวเมธนีดนก้อวันไหวพระเวสสันดรเจ้าผู้ปดุงสีพีรัตให้เจริญทรงประคองอัญชลีพระราชทานสองพระกุมารผู้เจริญด้วยความสุข ให้เป็นทานแกพรามก็บังเกิดมีความบัลลือลั่นหน้าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวลำดับนั้นพรามผู้หยาบช้านั้นเอาฟันกัดเถาวันให้ขาดแล้วเอามาผูกประหัตพระกุมารทั้งสองฉุดกระชากลากมาแต่นั้นพรามนั้นจับเถาวันถือไม้เท้าทุบตีพระกุมารทั้งสองนำไป เมื่อพระเวสสันดรสีพีราตกำลังทอดพระเนตรอยู่ลำดับนั้นสองพระกุมารพอหลุดพ้นจากพรามก็รีบวิ่งหนีไปพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยพระอสุชนพระชาลีชะเงือมองดูพระบิดาทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบิดาพระวรกายสันระริกดังใบโพ ทรงถวายบังคมพระยุคลบาทพระบิดาแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระชนกนาฏก็ประมาณดาเสด็จออกไปป่าพระบิดาจับพระราชทานกระหม่อมชั้นทั้งสองข้าแต่พระชนกนาฏพระบิดาจับพระราชทานกระหม่อมชั้นทั้งสองก็ต่อเมื่อกระหม่อมชั้นทั้งสองได้เห็นประมาณดาข้าแต่พระชนกนาฏ พระมานดาเสด็จออกไปป่าพระบิดาจัพระราชทานกลมอมชั้นทั้งสองข้าแต่พระชนกนาถขอพระองค์ยาเพิ่งพระราชทานกล้าวกลม่อมชั้นทั้งสองจนกว่าพระชนนีของกล้าวกลมอมชั้นจะเสด็จกลับมาเมื่อนั้นพรามนี้จงขายหรือจงฆ่าก็ตามปรารถนาพรามผู้หยาดชานี้ ประกอบด้วยบุรุษโทษสิบแปดประการคือมีเท้าคดทู่ตะแคงหนึ่งเล็บเน่าหนึ่งปลีน่องย้อยยานหนึ่งริมฝีปากบนยาวหนึ่งน้ำลายไหล ย, ยืดหนึ่งฟันยื่นออกเหมือนเขี้ยวหมูหนึ่งจมูกหักฟุบหนึ่งท้องพลุยดังหม้อหนึ่งหลังค่อมหนึ่งตาข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่หนึ่ง หนวดแดง1ผมบางเหลือง1นงหนังย่นเป็นเกลียวตัวตกกระหนึ่งตาเหลืองหนึ่งคดสามแห่งคือที่สะเอวหลังและคอหนึ่งขากลางหนึ่งเดินดังกะตะกะตะหนึ่งขนตามตัวยาวและหยาบหนึ่งนุ่งห่มหนังเสือเป็นอมนุษย์น่ากลัวเหลือเกินเป็นมนุษย์หรือยักษ์ มีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องบริโภคออกจากบ้านมาสู่ป่ามาขอทรัพย์คือบุตรกับพระองค์ลูกทั้งสองกำลังถูกพรามปีศาจนำไปข้าแต่พระชนกนาฏกระไรหนฝ่าพระบาททรงดูนิ่งเฉย อ, อยู่ได้พระหฤทัยของพระชนกนาฏปานดังหินหรือดังว่ายึดมั่นด้วยแผ่นเหล็ก พระองค์ช่างไม่ทรงรู้สึกถึงลูกทั้งสองซึ่งถูกพรามผู้สแสวงหาทรัพย์ร้ายกาจเหลือเกินผูกมัดแกเคี้ยนตีลูกทั้งสองเหมือนนายโคบานตีโคฉะนั้นขอให้น้องกันหาจงอยู่ณที่นี้แหละเธอไม่รู้จักความทุกข์อะไรอะไรเมื่อเธอไม่เห็นพระมารดาก็จะคร่ำครวญหา เหมือนลูกเนื้อที่ยังดื่มนมพลัดจากฝูงไม่เห็นแม่ก็จะร่าให้คร่ำครวญฉะนั้นทุกนี้ไม่ใช่ทุกที่แท้จริงของลูกเพราะทุกเช่นนี้อันลูกผู้ชายพึงได้รับส่วนทุกอันใดที่ลูกจักไม่ได้เห็นพระมาณดาทุกนั้นของลูกเป็นทุกยิ่งกว่าทุกที่ถูกตะพรามนี้เคี่ยนตีทุกนี้ไม่ใช่ทุกที่แท้จริงของลูก เพราะทุกเช่นนี้อันลูกผู้ชายพึงได้รับส่วนทุกขอันใดที่ลูกจักไม่ได้เห็นพระบิดาทุกนั้นของลูกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์ที่ถูกตะปรามเคี้ยนตีพระมารดาจักเป็นกําพร้าเสียแน่แท้เมื่อไม่ได้ทรงเห็นกัญหาชินากุมารีผู้มีความงามน่าดูก็จักทรงกันแสงหาตลอดราตรีนาน คระบิดาจัเป็นกำพร้าเสียเป็นแน่แท้เมื่อไม่ได้ทรงเห็นกันหาชินากุมารีผู้มีความงามน่าดูก็จักทรงกันแสงหาตลอดราตรีนานประมาณดาจักเป็นกำพร้าเสียแน่แท้เมื่อไม่ได้ทรงเห็นกันหาชินากุมารีผู้มีความงามน่าดูก็จักทรงกันแสงอยู่ในอาสมชานาน พระบิดาจักเป็นกําพราเสียแน่แท้เมื่อไม่ได้เห็นกันหาชินากุมารีผู้มีความงามน่าดูก็จักทรงกันแสงอยู่ในอาสมช้านานพระมารดาจักเป็นกําพราเสแน่แท้จักทรงกันแสงอยู่ตลอดราตรีนานทรงระลึกถึงเราทั้งสองตลอดครึ่งคืนหรือตลอดคืนจักทรงซูบซีดเหี่ยวแห้งไป เหมือนแม่น้ำน้อยในฤดูแล้งเหือดแห้งไปฉะนั้นพระบิดาจักเป็นกำพร้าเสียแน่แท้ทรงกันแสงอยู่ตลอดราตรีนานทรงระลึกถึงเราทั้งสองตลอดครึ่งคืนหรือตลอดคืนก็จักทรงสูบซีดเหี่ยวแห้งไปเหมือนแม่น้ำน้อยในฤดูแล้งเหือดแห้งไปฉะนั้นลุกชาตเหล่านี้มีต่างๆางพัน คือต้นว่าต้นยางทายกิ่งห้อยย้อยวันนี้เราทั้งสองจะต้องละรุกชาติเหล่านั้นไปรุกชาติที่มีผลต่างต่างชนิดคือโพขนุนไซและมะขิดวันนี้เราทั้งสองจะต้องละรุกชาติเหล่านั้นไปนี่สวนนี่สระน้ำเย็นใสเราเคยเที่ยวเคยลงสงสนานมาแต่การก่อน วันนี้เราทั้งสองจะต้องละสวนและสระน้ำนั้นไปบุพชาติต่างๆชนิดบนภูเขาโน้นเราเคยเก็บมาทัดท่งในการก่อนวันนี้เราจะต้องละบุพชาติเหล่านั้นไปรุกชาติที่มีผลต่างๆชนิดบนภูเขาโน้นเราเคยเก็บผลมากินในการก่อนวันนี้ เราจะต้องละรุกกชาติที่มีผลเหล่านั้นไปนี่ตุกตาช้างตุกตาม้าตุกตาวัวพระบิดาทรงปั้นเพื่อให้เราทั้งสองเล่นเราเคยเล่นมาในการก่อนวันนี้เราทั้งสองจะต้องละตุกตาเหล่านั้นไปพระศาสดาตรัสว่าสองพระกุมารอัญชูชกกาลังพาไป ได้กราบทูลสั่งพระบิดาดังนี้ว่าข้าแต่พระชนกนาถขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาตรัสบอกพระมารดาว่าลูกทั้งสองไม่มีโรคและขอพระองค์จงทรงพระสํารารตุกตาช้างตุกตาม้าตุกตาวัวเหล่านี้ของกระหม่อมชั้นขอพระองค์โปรดประทานแก่พระเจ้าแม่ ความโศกเศร้าจะพินาศเพราะตุกตาเหล่านี้และพระมารดาได้ทอดพระเนตรเห็นตุกตาช้างตุกตามา้าและตุกตาวัวของลูกเหล่านี้จะ ก, กําจัดความโศกให้เสื่อมหายลำดับนั้นพระเวสสันดรคติยราชครั้นทรงบำเพ็ญฐานแล้วสเสด็จเข้าบารรณาศาลาทรงกันแสงพิลาบว่า วันนี้ลูกน้อยทั้งสองจะหิวข้าวอยากน้ำอย่างไรเนอจะต้องเดินทางไกลร้องไห้สะอึกสะอื้นเวลาเย็นเป็นเวลาบริโภคอาหารใครจะให้อาหารแก่ลูกทั้งสองนั้นวันนี้ลูกน้อยทั้งสองจะหิวข้าวอยากน้ำอย่างไรเนอจะต้องเดินทางไกลร้องไห้สะอึกสะอื้น เวลาเย็นเป็นเวลาบริโภคอาหารลูกทั้งสองเคยอ้อนกามัตสีผู้มารดาว่าข้าแต่พระเจ้าแม่ลูกทั้งสองหิวแล้วขอพระเจ้าแม่จงประทานแก่ลูกทั้งสองลูกทั้งสองไม่มีรองเท้าจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าอย่างไรได้ลูกทั้งสองจะเมื่อยลา้ามีบาทาฟกบวม ใครจักจูมือลูกทั้งสองเดินทางอย่างไรหนอพรามนั้นช่างร้ายกาศไม่ละอายเคี่ยนตีลูกทั้งสองผู้ไม่ประทุษร้ายต่อหน้าเราแม้คนตกเป็นทาสีเป็นทาสของเราหรือคนรับใช้อื่นใครที่มีความละอายจะเคี่ยนตีคนที่ต่ำต้อยแม้เช่นนั้นได้ พรามช่างด่าช่างตีลูกรักทั้งสองของเราผู้มองเห็นอยู่ซึ่งเป็นเหมือนดังปลาติดอยู่ที่ปากรอบปากใสฉะนั้นพระเวสสันดรทรงพระปริวิตกว่าเราจะถือธนูด้วยมือขวาเน็บพระขันไว้เบื้องซ้ายไปนำลูกทั้งสองของเรากลับมาเพราะลูกทั้งสองถูกเคียนตีเป็นทุกข์ การที่ลูกทั้งสองต้องเดือดร้อนเป็นทุกแสนสาหัสไม่ใช่ฐานนะก็ใครเล่ารู้ธรรมของสัตว์ปุรุษแล้วให้ทานย่อมเดือดร้อนภายหลังพระชาลีกุมารทรงรำพันว่าได้ยินว่านรชนบางพวกในโลกนี้พูดความจริงไว้อย่างนี้ว่าลูกคนใดไม่มีมารดาของตน ลูกคนนั้นเป็นเหมือนไม่มีบิดาน้องกันหามานี่เถิดเราทั้งสองจะตายด้วยกันเราทั้งสองจะเป็นอยู่ทาไมไม่มีประโยชน์พระบิดาผู้เป็นจอมประชานิกรประทานเราทั้งสองแก่พรามผู้สแสวงหาทรัพย์เป็นคนร้ายกาศเหลือเกินแก่เคี้ยนตีเราทั้งสองเหมือนนายโคบาลโบยตีโคฉะนั้น รุกชาติเหล่านี้มีต่างๆพัน์คือต้นว่าต้นยางสายกิ่งห้อยย้อยเราเคยเล่นมาแต่การก่อนน้องกันหาเราทั้งสองจะต้องละรุกชาติเหล่านั้นซึ่งเคยเก็บดอกและผลเล่นมาช้านานรุกชาติที่มีผลต่างๆชนิดคือโพขนุนไซและมะขิดที่เราเคยเล่นในการก่อน น้องกันหาเราทั้งสองจะต้องละรุกชาติที่เราเคยเก็บผลกันมาช้านานนี่สวนนี่สระน้ําเย็นใสเราเคยเที่ยวเล่นเคยลงสงสนานมาแต่การก่อนน้องกันหาเราทั้งสองจะต้องละสวนและสระเหล่านั้นไปบุพชาติต่างๆชนิดบนภูเขาโน้นเราเคยเก็บมาทัดทรงในการก่อน น้องกันหาเราจะต้องละบุพชาติเหล่านั้นไปรุกชาติที่มีผลต่างๆชนิดบนภูเขาโน้นเราเคยเก็บผลมากินในการก่อนน้องกันหาเราจะต้องละรุกชาติที่มีผลเหล่านั้นไปนี่ตุ๊กตาช้างตุ๊กตามมาตุ๊กตาวัวพระบิดาทรงปั้นเพื่อให้เราทั้งสองเล่น เราเคยเล่นในการก่อนน้องกันหาเราทั้งสองจะต้องละตุกตาเหล่านั้นไปพระศาสดาตรัสว่าพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและกันหาชินาอัญชูโชคพราม์นำไปพอหลุดพ้นจากมือพรามตางก็วิ่งหนีไปในสถานที่นั้นๆลำดับนั้นพรามนั้น จับเท้าวันถือไม้เท้าทุบตีพระกุมารทั้งสองนำไปเมื่อพระเวสสันดรศิวิราชกำลังทอดพระเนตรเห็นอยู่พระกันหาชินาได้กราบพูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพรามนี้ทุบตีลูกด้วยไม้เท้าดังว่าทุบตีทาตผู้เกิดในเรือนเบี้ยข้าแต่พระบิดา ก็พรามนี้คงไม่ใช่พรามทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในธรรมคงเป็นยักษ์แปลงเทศเป็นพรามนำเอาลูกทั้งสองไปเพื่อจะกินเป็นอาหารลูกทั้งสองถูกพรามปีศาจกำลังนำไปข้าแต่พระบิดาช่างกระไรเลยนิ่งเฉย อ, อยู่ได้พระกันหากุมารีทรงรำพันว่า เท้าน้อยของเราทั้งสองนี้เป็นทุกข์ทั้งหนทางก็ไกลยากที่จะเดินไปได้เมื่อพระอาทิตย์คล้อยต่ําลงพราหม์เล่าก็เร่งเราทั้งสองให้รีบเตือนข้าพเจ้าทั้งสองขอคร่าครวญกราบไหว้เทพเจ้าทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่ณภนะูเขาลำเนาไพรในสระน้ําและแม่น้ําอันมีท่าราบเรียบด้วยเสียงกล้าว ขอเทพเจ้าผู้สถิตอยู่ณป่าหญ้าละดาวันและต้นไม้ที่เป็นโอสถบนภูเขาและที่ป่าไม้จงช่วยกันกราบทูลพระชนนีว่าข้าน้อยทั้งสองนี้ไม่มีโรคพรามนี้นำเอาข้าทั้งสองไปอันหนึ่งขอท่านทั้งหลายจงกราบทูลพระเจ้าแม่มัตสีราชชนนีของข้าน้อยทั้งสองว่า ถ้าพระแม่เจ้าปรารถนาจะเสด็จติดตามมาก็พึงรีบเสด็จติดตามข้าน้อยทั้งสองมาเร็วพลันทางนี้เป็นทางเดินคนเดียวตัดตรงไปยังอาสมพระมารดาพึงเสด็จไปตามทางนั้นก็จะทันได้เห็นลูกทั้งสองโดยเร็วพลันโอ้หนอพระเจ้าแม่ผู้ทรงเพศตาปสินีทรงนำมูลพลาหารมาจากป่า ได้ทรงเห็นอาสมอันว่างเปล่าก็จะทรงมีทุกข์พระมารดาเที่ยวสแสวงหามูลพลาหารจนล่วงเวลาคงได้มาไม่น้อยคงไม่ทรงทราบว่าลูกทั้งสองถูกพรามผู้สแสวงหาทรัพย์ผู้หยาบช้าร้ายกาจเหลือเกินผูกมัดเที่ยนตีดังหนึ่งนายโคบาลทุบตีโคฉะนั้นเออก็วันนี้ ลูกทั้งสองพึงได้เห็นพระมารดาเสด็จกลับมาจากการสแสวงหามูลพลาหารในเวลาเย็นพระมารดาพึงประทานผลไม้อันเจือด้วยน้ำพึ่งแก่พราหมณ์ในการนั้นพราหมณ์นี้กินอิ่มแล้วไม่พึงเร่งให้เราทั้งสองเดินนักเท้าทั้งสองของเราฟกบวมหนอพราหมณ์ก็เร่งให้เรารีบเดิน พระกุมารทั้งสองทรงรักใครในประมาณดาทรงกันแสงพิลาบอยู่ณที่นั้นด้วยประการชนี้แลกุมารบับพพะจบ